ตอนที่สิค่าคืนนั้น 1. ชูหลิงสงสัยว่าหลี่จงไม่ได้ไปเข้าเฝ้าสามตำหนักข้อสันนิษฐานนี้ถูกต้องเพียงแต่ชูหลิงไม่อาจพิสูจน์ไดในยามนี้แม้เขาจะขึ้นเป็นจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ผู้สูงศักดิ์แล้วทว่ากลับไม่อาจสั่งการผู้ใดได้เลยภายใต้ราตรีที่ปกคลุมพระราชวังหวีที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นย่อมมีเงามืดพระราชวังอวิชว่างใหญ่ไพศาลกว้างเสียจะมีหลายสถานที่ซึ่งเหล่าผู้สูงศักดิ์ในวังไม่เคยย่างกรายมาตลอดทั้งชีวิตหรือกระทมมั ณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมืดมิดจนมองไม่เห็นแม้แต่ฝ่ามือตัวเองนอกจากเสียงลมแล้วยังมีเสียงฝีเท้าว่ามะหลี่จงที่เพิ่งปลีกตัวมาจากตําหนักต้าซิงมีเหงือกผุดซึมเต็มหน้าผากฝีเท้าของหลี่จงรวดเร็วคล้ายเดินคล้ายวิ่งเขาเหลียวมองกลับไปเป็นระยะทว่าทุกขนแห่งที่สายตาพาดผ่านล้วนดํมมือสนิททว่าหัวใจของหลี่จงกลับยังคงเต้นระรัวด้วยความกังวลกลิ่นคาวเลือดจางๆลอยอบอวนอยู่ในอากาศหนาวเหน็บยามค่ําคืน สำหรับสถานที่ที่กำลังจะไปนั้นหลี่จ้มีความหวาดกลัวฝังใจเมื่อครั้งได้รับคําสั่งให้จากไปในตอนนั้นเขาเคยสาบานว่าจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกชั่วชีวิตทว่าในยามนี้เขากลับไม่กล้าที่จะไม่มาหลีเซ า, าเจียนทันช่างทุรรศตัวเสียจริงนะขณะที่เดินมาถึงจุดหนึ่งเสียงอันเย็นเยียบก็ดังขึ้นทําให้หลี่จงหยุดชะงักฝีเท้าทันทีเขามองไปรอบๆ อ, อย่างระแวดระวังทว่าแสงจันทร์นั้นริบหรี่นักหลี่จงจึงมองไม่เห็นผู้ใดเลย ท่านบรรพบุรุษรอเจ้ามาหลายวันแล้วเจ้า ก, กลับประวิงเวลาจนถึงป่านนี้ค่อยมาร่างสู้ผอมร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเบื้องหน้าหลี่จงดวงตาเย็นชาคู่นั้นจ้องเขม็งมายังหลี่จงที่กําลังสันสถานด้วยความหวาดกลัวจา ก, กระพัดผู้สื่อพระราชสันติวงศ์แห่งต้าอาวีเข้าประทับในตําหนักต้าสิงแล้วหลี่จงเจ้าคิดว่าโอกาสของตัวเองมาถึงแล้วใช่หรือไม่มะไม่ใช่เช่นนั้นหลี่จงข่มความหวาดหวั่นไว้แล้วมองไปยังร่างเบื้องหน้าข้ามีเรื่องสําคัญต้องรายงานท่านบรรพบุรุษเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดขออาาาองาาณักรตวี ร่างเบื้องหน้าหยุดนิ่งหลี่จงลอดถอนหายใจอย่างโล่งอกทว่าดวงตาของเขายังคงจ้องเขม็งไปยังจุดหนึ่งนั่นคือดาบที่จวนจะออกจากฝักตามค่ามาเนื่อง น, นานผ่านไปร่างนั้นจึงเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกับซุ้มเสียงยินชาที่ดังขึ้นทําให้หลี่จงคลายความกังวลลงได้บ้างเขารู้ดีว่าหากคําพูดเมื่อครูไม่ทําให้คนผู้นี้เกิดความลังเลเกรงว่าจุดจบของเขาคงไม่ต่างจากคนไม่กี่คนที่สะกดรอยตามเขามาจากตําหนักต้าสิงที่ต้องตายไปอย่างเงียบเชียบ ในพระราชวังหวีอันเกรงไกลแห่งนี้มีคนตายอยู่ทุกวันทว่าความตายของคนส่วนใหญ่กลับไม่อาจสร้างแรงกระเพิ่มใดๆได้ไดไดไดราวกับว่าพวกเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้เลยหลี่จงเดินตามไปเป็นเวลานานานเสียจนความจำเริ่มสับสนไม่รู้ว่ากำลังมุ่งหน้าไปยังส่วนใดของวังเย่ถิงแม้จะจากวังเย่ถิงไปนานหลายปีแต่เขาก็ยังพอจดจำทุกอย่างที่นี่ได้ทว่าตอนนี้เขากลับไม่แน่ใจเสียแล้วความตื่นกระหนกที่อธิบายไม่ได้ผุดขึ้นในใจของหลี่จง ห้องเก็บฟืนที่มีแสงไฟวบแวมปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดมิดอย่างโดดเด่นลีจงเดินตามคนผู้นั้นมาจนถึงหน้าห้องเก็บฟืนในเวลาอันรวดเร็วท่านบนรรพบุรุษคนมาแล้วขอรับชายผู้นั้นกล่าวอย่างนอบน้อมพางประสานมือคํานับไปทางห้องเก็บฟืนภายใต้แสงไฟสลัวเผยให้เห็นใบหน้าที่มีรอยแผลเป็นน่าสยดสยองหลายแห่งดวงตาข้างหนึ่งเป็นฟ้าขาวรูปลักษณ์เช่นนี้หากใครได้เห็นเป็นครั้งแรกย่อมต้องเกิดความหวาดกลัวขึ้นในใจเรียกเขาเข้ามา เสียงหนึ่งดังขึ้นจากในห้องเก็บฟืนทันทีที่สิ้นคําพูดเสียงไอยอย่างรุนแรงก็ดังขึ้นไม่หยุดหย่อนหากผู้ที่ไม่รู้สถานการณ์คงคิดว่าคนข้างในล้มป่วยด้วยโรคร้ายแรงบางอย่างเข้าไปเถอะชายหน้าบากตาเดียวกล่าวกับหลี่จงด้วยท่าทีเมินเฉยทว่ามือกับไม่ได้หยุดนิ่งหลีจงยกมือขึ้นอย่างรู้ความปล่อยให้เขาตรวจค้นร่างกายจนเสร็จสิ้นผ่านไปครู่หนึ่งหลีจงไม่ทันได้จัดระเบียบเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก็รีบก้มหน้าเดินเข้าไปในห้องเก็บฟืน ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปหลี่จงก็ได้กลิ่นชุนกะทิเตะจมูกเขาที่ก้มหน้าอยู่เผลอขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ก็รีบพายออกอย่างรวดเร็วในที่สุดเจ้าก็มาเสียทีขณะที่หลี่จงกำลังจะประสานมือคำนับชายชาราผมขาวในชุดไว้ทุกสีขาวก็วางของในมือลงดวงตาที่ฟ้าฟางคู่นั้นจ้องมองมายังหลี่จงท่านบรรพบุรุษลูกมาแล้วขอรับหลี่จงคุกเขา่าลงกับพื้นเสียงดังตุบตําหนักต้าซิงมีจักรพรรดิผู้สื่อรราชสันติวงศ์มาประทับแล้ว จ้ได้ทำอะไรลงไปบ้างชายชาราผมขาวถามด้วยท่าทีเย็นชากดการสืบสันติวงศ์โดยบุตรชายคนโตที่ท่านผู้เฒ่าตั้งไว้กับถูกคนเปลี่ยนไปเสียได้เป็นความคิดของใครกันที่ให้เลือกผู้มีความสามารถแล้วเลือกเด็กน้อยคนหนึ่งมาเป็นจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์นี่มาเลือกผู้มีความสามารถภาษาอะไรกันมือของหลีจงอดไม่ได้ที่จะสั่นเทา หากเป็นผู้อื่นหลี่จงคงพอจะมีวิธีรับมือทว่าต่อหน้าคนผู้นี้เขาไม่กล้าแม้แต่จะคิดคดคนผู้นี้คือตัวตนที่จักรพรรดิเทจูกเกาสรงไว้วางพระราชหายัยและให้ความสำคัญมากที่สุดเมื่อครั้งยังมีพระชนชีพเมื่อครั้งที่จักรพรรดิเทจูกเกาสวรรคตเหล่าสนมกำนันในพระราชวังหวีที่เคยถวายงานแต่ไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาล้วนต้องถูกฝังร่วมสุสานทั้งหมดกลุ่มคนที่ต้องตายตกตามกันไปนั้นมีไม่น้อย ทั้งมหาดเล็กคนสนิทและนางกำนันล้วนรวมอยู่ในนั้นทว่าในรายนามผู้ที่ต้องฟังร่วมสุสานของจักรพัทเทจูเก่ากลับขาดชื่อคนผู้หนึ่งไปอย่างน่าประหลาดแม้คนผู้นี้จะจากข้างกายของเทจูไปนานแล้วแต่คนรุ่นเก่าบางคนยังคงจำเขาได้แม่นยำในตอนแรกมีคนแอบสืบเรื่อง น, นี้อยู่ไม่น้อยทว่าสุดท้ายกลับไร้ร่องรอยนี่มันเป็นความคิดของใครกันแน่เมื่อเห็นหลี่จงนิ่งเงียบเวลตาของเซียวังก็เย็นเยียบขึ้นตําหนักช้างเลอตําหนักเฟิ่งหลวนหรือตําหนักช้างชิว จักรพรรดิพระองค์ก่อนสวรรคตยังกระทันหาโลงศพลวงตั้งประดิษฐานอยู่นานถึงเจวันแต่สุดท้ายกลับเลือกเด็กน้อยคนหนึ่งมาเป็นจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์นี่จะให้ใต้ล่ามองราชวงศ์อวี๋อย่างไรเซียวังสะกดกลั้นความโกรธเอาไว้เขาติดตามรับใช้จักรพรรดิให้จู่กามาตั้งแต่เยาวัยในฐานะข้ารับใช้ของราชการก่อนชะตากรรมของเขาถูกกำหนดไว้แล้วงานรับใช้คือหลักฐานสำคัญ ในตอนแรกเขาเป็นเพียงคนต่ําต้อยที่ไม่มีใครสนใจจนกระทั่งวันหนึ่งเขาถูกเทจูเรียกเข้าเฝ้าเป็นการรับชะตากรรมของเขาจึงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสําหรับเทจูแล้วเขามีความจงรักภักดีอย่างที่สุดชั่วชีวิตนี้เขาไม่มีความปรารถนาอันใดมากไปกว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชองค์การทําตามพระประสงค์ของเทจูให้ดีที่สุดและในยามนี้ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมการที่ได้ติดตามอยู่ข้างกายเทจูทําให้เสียว่างเข้าใจสิ่งหนึ่งนั่นคือคําว่าผู้ทรงคุณธรรม เป็นเรื่องตลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหากคน ใ, นใต้ล่าบอกว่าเจ้าทรงคุณธรรมเจ้าก็ทรงคุณธรรมหากบอกว่าเจ้าโม้ขาวเจ้าก็โม้ขาวเพียงแต่ผู้ทรงคุณธรรมนั้นทรงคุณธรรมจริงหรือและผู้โม้ขาวนั้นโม้ขาวจริงหรือท่านบนรรพบุรุษเรื่องนี้เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่สองท่านนั้นเข้าวังมาขอรับหลี่จงยิงคงคุกเข่าอยู่กับพื้น การเลือกพระรุ่ยอองเป็นจักรพรรดิผู้สืบรชาชสันติวงศ์นั้นเดิมทีไม่มีผู้ใดล่วงรู้มาก่อนแม้แต่สองท่านนั้นก็ไม่รู้ในขณะที่หลายคนยังคงหาเรื่อกันอยู่ราชาองค์การสามตําหนักก็ถูกประกาศออกมาแล้วอย่าว่าแต่ท่านเลยขอรับแม้แต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นต่างก็ตกตะลึงไปตามๆกันแล้วหานชิงเล่าเซียวังถามด้วยสายตายเย็นชาพลางจ้องมองหลี่จงหรือว่าเขาจะรู้อะไรบางอย่างจักรพรรดิพระองค์ก่อนสวรรคตยอย่างกระทันหันแท้จริงแล้วเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามีการวางแผนไว้ล่วงหน้ากันแน่ ฮันชิงผู้นี้ค่าพอจะรู้จักเขาอยู่บ้างเขาได้รับความไว้วางพระราชหัยจากจักรพัฒน์เวนเทจจงอย่างมากมิเช่นนั้นคงไม่ได้เป็นแม่ทัพใหญ่จิ้นจวินฝ่ายในเกิดความวุ่นวายเขาจึงส่งคนสนิทไปยังจวนของสองท่านนั้นเพื่อเชิญทั้งคู่เข้าวางังหรือว่าเขาจะสืบพบอะไรเข้าเรื่องนี้ลูกก็มีอาจทราบได้ขอรับหลี่จงไม่กล้าออกความเห็นมากนักเสี้ยววังหลีตาลงจ้องมองหลี่จงโดยไม่พูดจาเวลาล่วงเลยไปทีละวินาที ทว่าสำหรับหลี่จงแล้วมันช่างยาวนานราวกับผ่านไปเป็นปีได้ยินว่าจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศงถามเจ้าเรื่องวีรกรรมของไทจูหรือผ่านไปเนิ่นนานในที่สุดเซียว่ังก็เอ่ยปากทว่าประโยคเดียวที่เขากล่าวออกมากลับทำให้หัวใจของหลี่จงเต็น ร, รัวขึ้นใหม่ครั้งเงยเย็นเย็นผุดซึมเต็มแผ่นหลังความตื่นระหนกที่ไม่อาจหยางถึงทาให้เขาถึงกับเสียสติไปชั่วขณะ